ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองขอนอบน้อมพระธรรมด้วยขอดอบน้อมพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายด้วยด้วยความเคารพเอื้อเฟื้อพระบระมาศ า, าสดาทรงตรัสว่ามนุษย์เป็นอันมากเมื่อถูกมหันตภัยคุกคามแล้วมหันตภัยคือความเกิดมหันตภัยคือความแก่มหันตภัยคือความเจ็บไข่มหันตภัยคือความตาย ถูกความโศกความร่ำไรลำพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจเบียดเบียนคุกคามแล้วมนุษย์ก็สแสวงหาดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ต้นไม้ภูเขาเป็นสรณะสแสวงหาพระอินทร์พระพรหมเป็นสระเป็นต้นบ้างพระบรมศาสดาทรงตรัสว่านั่นไม่ใช่สรณะอันกเกษมนั่นไม่ใช่สรณะอันสูงสุด เมื่อประชาัว์อาศัยสารณาเหล่านั้นแล้วไม่สามารถพ้นจากมันตภัยมมันตทุกเป็นต้นได้ส่วนบุคคลใดขอถึงพระพุทธเจ้าขอถึงพระธรรมขอถึงพระริยสงว่าเป็นสารณาเป็นที่พึ่งเป็นเครื่องกำจัดภัยอย่างแท้จริงเข้ามาศึกษาอบรมศึกษาภาคเพียนพยายามในการที่จะทายานปัญญาให้เกิดขึ้น ฝึกฝนพัฒนาศีลสมาธิปัญญาเกิดขึ้นทำปัญญาจนสามารถแทงตลอดทุกขศาจาัจจยาดยการกำหนดรู้สมุทัยศัจจาด้วยการละนิโรธศัจจายด้วยการประจักแจ้งมรคศัจจาด้วยการเจริญจนสามารถทำกิเลสให้หมดสิ้นจากขันธสัศนญาณบรรลุเป็นพุทธะอย่างแท้จริงพระพรมัสสาสดาทรงตรัสว่านั่นแหละเป็นสารณาอันกเกษมนั่นแหละเป็นสารณาอันสูงสุด เมื่อประชาศช์อาศัยสารณะเหล่านั้นแล้วจึงสามารถพ้นจากมารแตภัยมารตะทุกข์เป็นต้นได้ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่พุทธบริษัททั้งหลายในวันนี้เป็นวันชาวปนักกิจศบของคุณพ่อวิเชียนสุนทรซึ่งเป็นผู้วายชนได้เสียชีวิตลงในอายุ73ปี เราท่านทั้งหลายที่เป็นบุตรหลานญาติมิตรซึ่งมาร่วมกันในการทำชาปนกิจศพของคุณพ่อวิเชียนสุนทรก็มีคุณแม่นันธนาสุนทรนายวิชชษสุนทรนางสาววิทยาธรสุนทรนายชาวริตสุนทรหรือยมแมกพร้อมทั้งภรรยาตลอดถึงบุตรหลานญาติมิตรเป็นต้นที่ในมาร่วมกันในการทำกิจในการที่จะ จเจริญกุศลร่วมอุทิศ ส, ส่วนกุศลไปให้กับคุณพ่อวิเคียนสุนทรซึ่งล่วงลับไปแล้วได้รับส่วนบุญส่วนกุศลเราท่านทั้งหลายในฐานะที่เป็นบุตรหลานญาติมิตรเป็นภรรยาเป็นต้นมีคุณแม่ซึ่งคุณพ่อได้จากไปแล้วเนี่ยได้ตั้งจิตในการที่จะมาทำบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลก็ทางานมาหลายวันก็ห้าคืน ทีนี้วันนี้เป็นวันชาวพนักกิจศกเรามาทำตามพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตรัสบอกแก่บุคคลซึ่งเป็นปุปปากรีชนนั้นบอกว่าในฐานะเป็นบุตรหลานญาติมิตรแล้วก็ต้องทำกิจในการดูแลท่านเมื่อท่านเลี้ยงเรามาแล้วเราเลี้ยงท่านตอบอันนี้เป็นกิจในฐานะที่บุตรหลานญาติมิตรพึงกระทต่อพ่อแม่ปู่ตายายายายทากิจของท่าน ดัรงวงตระกูลทําตนให้เหมาะสมกับการที่ได้เป็นทายาทที่ดีอันนั้นทําในฐานะที่ท่านยังมีพระชนมเออมีมีอายุอยู่ส่วนอีกข้อหนึ่งซึ่งเราจะต้องทําหลังจากท่านเสียชีวิตไปแล้วก็คือเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทําบุญอุทิศให้ซึ่งในวันนี้เราท่านทั้งหลายซึ่งเป็นญาติมิตรที่ได้มาร่วมกันในในวันนี้ก็มีคุณแม่นันทนาสุนทรนายวิชิต สุนทรนางสาววิทยาทรสุนทรและนายชวริสสุนทรและภรรยาของโยมเลือดจันแม็กเนี่ยที่มาร่วมการทำกิจในการที่จะทำตามาศาสนพิธีหรือตามพิธีกรรมทั้งหลายที่เราท่านทั้งหลายมาร่วมแรงร่วมใจตลอดถึงมีญาติมิตรมาร่วมแรงร่วมใจกันค่อนข้างมากมาม า, มาตั้งแต่เมื่อวานม่เห็นญาติโยมทั้งหลายมากันเต็มไปหมด เห็นแล้วก็อดปลื้มใจไม่ได้ได้ทราบข่าวมาว่าคุณพ่อที่ล่วงลับไปแล้วคุณพ่อวิเชียนเนี่ยเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านมาก่อนสิบกว่าปีก็เคยประกอบคุณความดีไว้ค่อนข้างมากจึงสามารถเป็นแรงดลบรรดาลใจให้บรรดาญาติมิตรทั้งหลายไม่ลืมในการที่คุณพ่อได้ทําอะไรไว้ให้กับตนเองกับสังคมหมู่บ้านเป็นต้น เราท่านทั้งหลายก็มาแสดงน้ําใจในวราระสุดท้ายที่ว่าจะเป็นการชาวปนกิจชาวปนกิจก็คือการนําร่างที่ไม่มีจิตวิญญาณแล้วนี่แหละเอาไปเผาที่เชิงตะกอนโบราณแต่ก่อนก็ไม่มีเมนแบบนี้ถ้าเป็นโบราณก็คือเผากางแจ้งแต่ปัจจุบันนี้ก็มีเมนก็ไปเผาเขาเรียกชาวปนกิจอันนั้นก็ทําหน้าที่ในฐานะที่เป็นบุตรหลานญาติมิตรที่พึงกระทํา แล้วก็นิมนต์พระสงฆ์มาสวดมาติกาเป็นต้นตลอดถึงมาแสดงพระธรรมแล้วก็มาเจริญทานกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลกันอย่างนี้เป็นต้นเราท่านทั้งหลายได้ทำปฏิบัติหน้าที่ตามาศาสนพิธีกันเนี่ยก็ไม่บกพ้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมาสมาทานศีลมาให้ทานมาสมาทานศีลมาฟังพระสวดมาติกาหรือสวดพุทธมนต์ ตลอดถึงมาฟังพระท่านเทศเพื่อจะให้หลักการในการที่เราในฐานะที่เป็นญาติมิตรเมื่อญาติผู้ใหญ่เป็นต้นเนี่ยได้ถึงการล่วงลับไปแล้วเนี่ยเราควรจะวางท่าทีทางใจอย่างไรอันนี้เราท่านทั้งหลายก็ต้องมาพินิษ์พิจารณาในการที่จะมาต้องคิดเลือกวิจัยแยกแยะพระพุทธเจ้าบอกว่าสัตว์ทั้งหลายมีการเกิดขึ้น มีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาและจะต้องมีการพลัดพรากเป็นธรรมดาจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นเป็นต้นและอีกข้อหนึ่งที่เราท่านทั้งหลายพึงตระหนักก็คือว่าเรามีกรรมเป็นของของตนเราทำดีหรือทำชั่วไว้เนี่ยเราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น อันนี้เป็นหลักการที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตรัสบอกว่ากรรมสกาสตากรรมทาทาธากรรมพันธูกรรมโยนีกรรมปฏิสารนังเป็นต้นคําว่ากรรมสกาสตาก็เผยว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นทรัพย์สมบัติของตนญาติโยมทั้งหลายพิจารณาอย่างนี้ว่าเงินทองรัตนาชาติแก้วแหวนเงินทองทั้งหลายที่เราสั่งสมมาด้วยเรี่ยวแรงด้วยกําลังอย่างองาเงือต่างน้ำเนี่ยได้มาโดยธรรมะเนี่ย เป็นของชอบทำก็หลายเป็นต้นเหล่านี้ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นถ้ามองดูแล้วเนี่ยเป็นของตนไหม <apps. S 1> ก็ต้องบอกว่าเป็นของตนเพียงแค่อัตภาพเดียวเงินทองที่เราหามาได้ทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้รัตนาชาติแก้วแหวนเงินทองตั้งหลายเนี่ยที่เราหามาได้เนี่ยเนื่องกับตนเพียงหนึ่งอัตภาพเท่านั้นบางครั้งยังไม่ทันที่ลมหายใจจะขาดแต่เงินทองแก้วแหวนทรัพย์สมบัติเหล่านั้นก็อันตรธาน จากเราไปเสร็แล้วหรือเราต้องจากทรัพย์สมบัติเสร็จแล้วเป็นต้นเหล่านี้บ่งบอกให้เห็นชัดว่าทรัพย์สมบัตินั้นไม่ใช่เป็นของตนที่แท้จริงแต่สุจริตกรรมและทุจริตกรรมกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตบาปบุญกุศลอกุศลที่หมู่สัตว์ทําไว้กรรมเหล่านี้แหละเป็นสมบัติที่แน่นอนมันจะตามติดกระแสะชีวิตของสัตว์ทั้งหลายทุกอัตภาพที่เกิด ถ้าเป็นกุศลกรรมก็จะตามส่งเสริมกระแสะชีวิตทำให้สมหวังได้ดีมีสุขในทุกอัตภาพที่เกิดแต่ถ้าเป็นบาปเป็นอกุศลก็จะตามเบียดเบียนกระแสะชีวิตทุกอัตภาพที่เกิดเหมือนกันฉะนั้นหมู่สัตว์ทั้งหลายจึงมีกุศลกรรมและอกุศลกรรมมีบุญและบาปเป็นทรัพสมบัติที่แน่นอนถาวร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 กุศลกรรมอกุศลกรรมนั้นจะตามส่งเสริมและตามเบียดเบียนหมูสัตว์เมื่อเรารู้ความจริงอย่างนี้ก็จงตระหนักให้ดูคนพ่อวิเชียนสุนทรเป็นตัวอย่างว่าท่านทําสิ่งที่ดีเข้าไว้อันนั้นเป็นแบบอย่างที่เราควรศึกษาว่าไหนที่สุดจริงๆอ่ะทรัพย์สมบัติที่พ่อทํามาทั้งหมดพ่อก็เอาติดตัวไปไม่ได้ แต่จะติดตัวไปได้ก็คือกุศลเกุศลคุณความดีเป็นต้นหรือตลอดถึงสิ่งที่ไม่ดีที่ทําไว้ก็จะตามติดไปอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นอัฏฐะในข้อนี้เราท่านทั้งหลายถ้ารู้ความจริงอย่างนี้จงมันทํากุศลกรรมเราจะได้มีกุศลกรรมเป็นทรัพสมบัติติดเนื้อติดตัวตามส่งเสริมกระแสะชีวิตในทุกอัตภาพที่เกิดประการต่อมาคือว่ากรรมทายาทากรรมทายาทเราเป็นทายาทของกรรม ถ้าคนมีลูกบุตรหญิงบุตรชายบุตรหญิงบุตรชายเนี่ยถือว่าเป็นทายาทของพ่อและแม่ถ้าเรามีมรดกอะไรไว้เช่นมีนามีบ้านมีรถมีทรัพย์มีเงินทองมีมรดกมีหุ้นทรัพย์สมบัติเหล่านั้นแหละตลอดถึงมีนี่ทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีที่พ่อแม่มีลูกจะต้องเป็นทายาทรับมรดก คือทรัพย์สมบัติทั้งที่เป็นสิ่งที่ดีและไม่ดีพ่อแม่ทำไว้ทายาทจะต้องรับแม้ฉันใดแต่การเป็นทายาทในการเป็นบุตรหลานญาติมิตรเนี่ยเป็นทายาทชั่วคราวนะชั่วคราวเพราะบางคราวเนี่ยการเป็นทายาทเนี่ยบางทีก็ได้รับมรดกเนี่ยรับชั่วคราวเท่านั้นมรดกเหล่านั้นเป็นของเนื่องด้วยลมหายใจเข้าออก แต่บางคราวก็อาจจะมีการผิดพลาดใดๆก็ว่า แ, แล้วแต่แต่ที่จะชี้เห็นในข้อนี้คือว่าหมู่สัตว์ทั้งหลายมีทายาทที่ถาวรและแน่นอนก็คือสุจริตกรรมและทุจริตกรรมบุญและบาปกุศลและกุศลที่หมู่สัตว์ทำ้าไว้กายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตบาปกุศลกรรมมันชั่วร้ายกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุดจริตตลอด ถ, ถึงกุศลกรรมอัน ง, งดงาม ทั้งบุญและบาปทั้งกุศลอกุศลที่หมูสัตว์ทําไว้สัตว์ตทั้งหลายก็เป็นทายาทที่จะต้องไปรับอย่างถาวรด้วยไม่ว่าโยมจะไปเกิดในอัตภาพใดเป็นอะไรอยู่ในภพไหนกุศลอกุศลก็จะตามถ้ากุศลก็ตามส่งเสริมในทุกอัตภาพที่เกิดให้ความให้มีลาบมียศสุขสสรเสริญให้ความสมหวังถ้าอกุศลก็ตามเบียดเบียน ทำให้ผิดหวังได้รับทกไ ด, บทได้รับโทษได้รับความเจ็บปวดในในอัตภาพที่ตเนเองไปเกิดนั้นอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นเราจึงเป็นทายาทที่จะรับมรดกของกรรมดีกรรมชั่วฉะนั้นเมื่อจัดทําสิ่งทั้งหลายลงไปหมูสัต์ทั้งหลายจึงต้องคิดให้ดีว่าเราควรกระทําอะไรอย่างนี้เป็นต้นประการต่อมาเขาเรียกว่ากรรมพันธุเขาได้ยินคํานี้ไหมพันธุอ่ะแปลว่าเผ่าพันุ์แปลว่าพวกพ้องแปลว่ามิตร แปลว่าญาติเรามีกรรมเป็นพวกพ้องเผ่าพันธุ์ญาติมิตรเรามีมิตรเรามีเพื่อนเรามีพ่อเรามีพี่สาวน้องสาวพี่ชายน้องชายเรามีหลานเรามีพวกมีพ้องพวกพ้องบางคนก็เป็นพวกพ้องที่ดีพวกพ้องบางคนก็เป็นพวกพ้องที่ไม่ดีพวกพ้องที่ดีก็ส่งเสริมสนับสนุนพวกพ้องที่ไม่ดีก็เบียดเบียนบิดคัน แม้ชั้นใดแต่เบียดเบียนบีบขั้นก็ดีส่งเสริมก็ดีก็เพียงอัตภาพเดียวเท่านั้นหรือบางทียังไม่ทันถึงอัตภาพก็จากเราไปไม่มาเบียดเบียนก็ได้ม า, มาส่งเสริมไม่มาส่งเสริมก็ได้เป็นต้นแต่บุญบาปสุจริตกรรมทุจริตกรรมเนี่ยมันไม่ลืมเลยถ้าเป็นกุศลความดีเป็นบุญมันตามส่งเสริมทาให้เราได้เห็นได้ดีได้ยินได้กลิน่นริมรสได้สัมผัส ได้ครับความได้ราบได้ยดได้สุขได้เสรเสริญได้ความสมหวังได้ความสมบูรณ์ผูนสุขนี่คือกุศลแต่ถ้าบาปมันก็ตามเหมือนกันมันก็ตามเป็นพวกพ้องที่ตามเบียดเบียนคอยบีริดนาทาเร้นทำให้เราผิดหวังทำให้เราเจ็บปวดทำให้เราทุกธทรมานอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นหมู่สัตว์ทั้งหลายจึงมีกุศลกรรมและอกุศลกรรมเป็นทันธุเป็นเป็นญาติเป็นพวกพ้องอีกข้อหนึ่ง กรรมโยนี้หรือโยนีสับเนี่ยก็แปลว่าเหตุโยนสับเนี่ยแปลว่าเหตุเรามีกรรมเป็นเหตุแห่งสุขและเป็นเหตุแห่งทุกข์หมู่สัตว์ทั้งหลายบางทีเราไปเข้าใจกันว่าอ๋อเนี่ยดวงดาวบนท้องฟ้าช่วงเนี้ยดาวมฤตยูมันโคโจรมาทับดาวสาวดาวพฤหัส ด, ดาวอังคารเป็นต้น ก็เป็นเหตุทำให้บ้านเมืองปั่นป่วนว่าันนะทำให้เกิดเนี่ยปัญหาทำให้คนแตกแยกกันทำให้เกิดเพศภัยทำให้เกิดแผ่นดินไหวน้าท่วมเป็นต้นแท้ที่จริงดวงดาวบนท้องฟ้าพระอินทร์พระจันทร์เป็นพต้นเนี่ยไม่สามารถเป็นเหตุแห่งสุขและทุกข์ของหมูสัตว์ได้แต่สุจริตกรรมและทุจริตกรรมบญและบาปกุศล คุณความดีไม่ว่าจะเป็นทานกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลที่หมู่สัตว์ทําไว้กุศลความดีเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายประสบความสุขดันั้นสัตว์ทั้งหลายจะมีปราโมทปิติปัสสติสุขสมาธิจะได้ความสุขความสมหวังได้รับอย่างดีมีสุขเป็นต้นเพราะกุศลความดีเป็นเหตุหมู่สัตว์ทั้งหลายที่จะประจบสบความเจ็บปวดความทุกข์ความผิดหวังโชคร้ายทั้งหลายเหล่านี้ก็เพราะว่า บาปอกุโสลกรรมคือกายทโจริตรวจีทุจริตมโนทุจริตที่หมูสัตว์ทำไว้มีการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดเท็จสอเสียดคําหยาเพื่อเจอกระทากรรมอันชั่วร้ายเขาไว้กรรมเหล่านี้ก็ตามเบียดเบียนทําให้สัตว์ทั้งหลายได้รับทุกได้รับความเจ็บปวดแล้วก็ผิดหวังอย่างนี้เป็นต้นข้อสุดท้ายกรรมมะปฏิสารณายมได้ยินคําว่าปฏิสารนาไหมหมูสัตว์ทั้งหลายเนี่ยบางทีเราไปถือว่า พระอินเป็นปฏิสารณะพระพรหมเป็นปฏิสารณะก็คือเป็นที่พึ่งบางคนก็บอกว่าเท้าจ่าตัมหาราชนี่แหละเป็นที่พึ่งของฉันบางคนก็คือเท้ายามาเท้าดูสิทว่าไปบางคนก็เท้าสกัดบางทีก็เท้านิมมาตรลีปาริมิสว ส, สวัตตีเนี่ยเทพเทวดาตลอด ถ, ถึงมหาพรหมเทพพระเจ้าทั้งหลายเหล่านี้เป็นสรณะเป็นปฏิสรณะเป็นที่พึ่งมูสัตว์ก็พากันไปอ้อนวอน ไปถึงก็อ้อนวอนจุดทูบเทียนบูชาอ้อนวอนขอให้เทวดาขอให้พระพรหมขอให้พระอินทร์ขอให้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าพระพรหมเจ้าที่เป็นปฏิสนธิเป็นที่พึ่งให้ข้าพระเจ้าได้เถิดก็เข้าไปอ้อนวอนร้องขอกันใหญ่เลยอย่างเงี้ยเพราะหมู่สัตว์ไปเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้จะสามารถดลบันดาลให้ความสุขกับตัวเองได้ถ้าไม่ไปอ้อนวอนเดี๋ยวเทพเจ้าเหล่านี้จะเบียดเบียนทําให้เราได้รับความทุกข์ความเดือดร้อน ที่จริงสิ่งที่ทําให้เราได้รับความสุขและความทุกข์เนี่ยเป็นที่พึ่งที่แท้จริงคือกรรมสุจริตกรรมและทุจริตกรรมเนี่ยเป็นปฏิสรณะของหมูสัตว์ทั้งหลายอายกตัวอย่างเช่นหมูสัตว์ทั้งหลายที่มีศรทัทธาไปคิดถึงพระพุทธเจ้าไปบูชาพระพุทธเจ้ามีศรัทธาคิดถึงพระธรรมบูชาพระธรรมมีศรัทธาคิดถึงพระสงฆ์บูชาพระเดียสง เมื่อ <Me ø ye ux> ไปบูชาไประลึกถึงพระัตนตรยัยศรัทธาความเพียรสติความระลึกได้สมาที่ความตั้งมั่นปัญญาที่รู้และเข้าใจเจตจานงความจงใจตั้งใจที่ปฏิบัติดีต่อคําสอนของพระพุทธเจ้าระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเป็นต้นพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นที่พึ่งให้หมูสัตว์ได้ก็เพราะว่าสัตว์นั้นทํากุศ ล, ลกรรมคือความดี ความดีที่หมู่สัตว์ทั้งหลายกระทาต่อพระเจ้าแล้วมีคุณกองพระเจ้าเป็นอารมณ์มีคําสอนพระเจ้าเป็นหลักนําพาชีวิตมีหมวดเริยสงอ์เป็นหลักเป็นเครื่องดําเนินในการดําเนินชีวิตในทางทํากรรมที่ดีแท้ที่จริงก็กูรูศ ล, ลกรรมที่ยึดโยงกับพระรัตนตรัยนั่นแหละเป็นที่พึ่งให้หมู่สัตว์ทั้งหลายพ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายและได้ดีมีสุขประสบความสมหวังได้อย่างแท้จริง แต่หมูสัตว์ทั้งหลายที่มีศรัทธาไปบูชาพระอินทร์พระจันทร์พระพรหมเป็นต้นพระอินทร์เทวดาและพรหมเป็นต้นไม่สามารถบันดล บ, บันดาลให้กับหมู่สัตว์ได้แต่ศรัทธาคือความเชื่อของหมูสัตว์กุศลกรรมที่ความการกระทํำของหมู่สัตว์ต่างหากที่ไปทําให้หมู่สัตว์นั้นเข้าถึงความสุขและความทุกข์อย่างนี้เป็นต้นได้เฉะนั้นเราให้เข้าใจว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นทรัพย์สมบัติของตนนั้นข้อแรก สัตว <unlucky. S 2> ์ทั้งหลายมีกรรมเป็นทายาททั้งสุดจริตกรรมและทุตเจติดกรรมอันนั้นเป็นข้อที่2สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นพวกพ้องเผ่าพันธุ์นั้นข้อที่3สัตว์ทั้งหลายมีสุขสุดเจติดกรรมและทุตเจติดกรรมเป็นเหตุแห่งสุขและเหตุแห่งทุกข้อสุดท้ายสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นสารณะเป็นปเตสสารณะเป็นที่พึ่งเมื่อเรารู้เราเข้าใจว่ากุศลกรรมเป็นที่พึ่งให้สัตว์ ในทางความดีความงามอากุศลกรรมเป็นที่พึ่งของสัตว์คือเบียดเบียนใน้สัตว์ได้เจ็บปวดเมื่อได้รู้ความจริงอย่างนี้จงมั่นในการที่จะทำกุศลความดีให้มากาและมาในวันนี้เรามาปรารภถึงงานชาวนิเกศของคุณพ่อวิเชียนสุนทรเราท่านทั้งหลายที่มีคุณแม่นันทนาสุนทรนายวิชิตสุนทร นางสาวิชยาทรสุนทร น, นายชวริศสุนทรตลอดถึงภรรยาได้มาเป็นแม่งานในการจัดงานชาวปนา ก, กิจศพของคุณพ่อที่ร่วงลับจากไปในครั้งนี้เราจะทำอย่างไรที่จะให้กุศลความดีถึงแก่ผู้วายชนให้ดีที่สุดอันนี้ต้องเกิดจากความเข้าใจถ้าเราทำเพียงแค่ตามประเพณี แต่ขาดความรู้ความเข้าใจมันก็ได้แค่ประเพณีการที่จะอุทิศส่วนกุศลให้ถึงคุณพ่อก็ได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ถ้าเราให้เกิดหนึ่งตามศาสนาพิธีตามพิธีกรรมก็ถูกด้วยศาสนาพิธีพิธีกรรมนั้นเป็นวินัยเป็นกติกาเป็นข้อกำหนดเป็นข้อตกลงร่วมกัน แต่การจะทำให้ถูกต้องตามศาสนาพิธีพิธีกรรมนั้นก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจในศาสนาพิธีที่ถูกต้องอย่างนี้เป็นต้นแต่สิ่งที่สาคัญที่จะตกทำให้ถูกต้องดีงามกว่านั้นก็คือการทำให้ถูกต้องตามธรรมะการทำให้ถูกต้องตามธรรมะคืออะไรคือเจตนาที่ต้องเป็นกุศลด้วยเจตนาที่เป็นกุศลหลักการในการที่จะให้ได้บุญมันมีหลักอยู่สามหลักใช่ไหม หเจตนาต้องเป็นเจตนาที่ดีมีความจงใจมีความตั้งใจดีในการที่จะทําความดีทํางานชาวพนักิจสมนี้ให้เป็นไปให้รู้ล่วงไปด้วยดีนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองต้องมีศรัทธาคือเชื่อมัน่นในกุศลความดีเชื่อมั่นในคุณของพระเจ้าในคุณของวัฒน์ธรรมในคุณของหมู่พระรยาสงฆ์ให้ชัดเจนไม่หวั่นไหวไม่สะทกสะทานอันนี้คือความเชื่อมัน่น ประการที่สามก็คือมีปัญญาคือความรู้ความเข้าใจที่จะจัดแจงงานนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามที่เป็นเหตุเป็นผลตามหลักการคำสอนของพระเจ้าที่บอกว่าท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบเราได้ทำหรือยังกับพ่อและแม่ได้ทำแล้วถ้ายมแม็กเนี่ยเอามาเรียกยมแม็กเพราะไปอยู่ด้วยระยะหนึ่งแล้วก็ยมไปสร้างห้องน้าที่วัดกลางเนี่ยนะตอนนี้ก็ เนี่ยสร้างเสร็จไปแล้วใช้งบไปค่อนข้างเยอะเนี่ยก็ได้รู้จักก็ได้บอกโยมตลอดว่าให้พ่อได้อนุโมทนาตอนนั้นพ่อก็ป่วยป่วยแล้วก็นอนแล้วก็อามาก็ได้เห็นรูปที่เวลาใช้โทรศัพท์เวลาใช้โทรศัพท์เปิดไลน์แล้วก็คุย แล้วตอนนั้นก็ป่วยโยมแม่ก็บอกพ่อคุยกับพ่อแล้วก็ไปคุยกับพระอมาก็ได้เห็นแล้วก็ได้ดูการเอาใจใส่ดูแลของโยมที่ดูแลกับพ่อการทำแบบนี้เขาเรียกว่ากตัญญูคือรู้คุณของพ่อของแม่แล้วก็กระตะเวทีคือตอบแทนคุณของพ่อและแม่เนี่ยโยมเนี่ยรักพ่อรักแม่มากตอนมาเมื่อวานนี้มาก็มาคุยกับโยมแม่ ก็ถามยอมแม่ว่ายอมเป็นยังไงสภาพจิตใจแข็งแรงมั่นคงดีไหมยศคุณแม่นันทนาสุนทรก็บอกว่ายังแข็งแรงดียังเข้มแข็งอามาก็บอกว่ายอมแม่ต้องเป็นหลักนะคุณพ่อจากไปแล้วต่อไปคุณแม่ต้องเข้มแข็งเป็นหลักของครอบครัว ลกหลานจะได้มีความสุขใจสบายใจจะได้เข้มแข็งให้เข้าใจความจริงของชีวิตว่าการตายเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตเหมือนการเกิดเหมือนการแก่เหมือนความเจ็บอันนี้เป็นธรรมดาต้องเข้าใจคำ ว, ว่าธรรมดามเป็นธรรมชาติธรรมดาก็คือว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่เรามีความเกิดเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเกิด เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความเจ็บไข้และเรามีความตายเป็นธรรมดาโยมต้องเข้าใจคำว่าธรรมดากับธรรมชาติทุกชีวิตเป็นเหมือนกันหมดอดีตก็เป็นแบบนี้ปัจจุบันก็เป็นอย่างนี้อนาคตก็จะต้องเป็นแบบนี้หมู่สัตว์ทั้งหลายก็จะต้องมีความเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติส่วนกฎของธรรมดาก็คือ ที่เราเห็นกันนี่แหละมีการเกิดขึ้นในเบื้องต้นแปรปรวนในท่ามกลางแล้วก็แตกสลายไปนี้ที่สุดสิ่งที่เราท่านทั้งหลายควรจะมีก็คือธรรมเทศนาก็คือคำสอนของพระเจ้าที่มาชโลมใจเราฟังคำสอนพอพระเจ้ามากๆว่าพระเจ้าเนี่ยมีพยานอย่างรู้ความจริงในข้อนี้แล้วพระเจ้าเตือนอะไรพระเจ้าเตือนอะไรเตือนให้เราทั้งท่านทั้งหลายเห็นธรรมดาของชีวิต ธรรมจริยาระดับศีลจะได้กำกับพฤติกรรมไม่ให้เกลื่อนกลนไม่ให้กระจัดกระจายไม่ให้สซ่านไปความละเมิดศีลจะได้ไม่เกิดขึ้นธรรมดาระดับสมาธิทำจิตให้ปราโมทปีติปสัสสติสุขให้มีความตั้งมั่นแห่งจิตโดยเฉพาะธรรมดาระดับปัญญาต้องทำให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นและให้เห็นความจริงของโลกและชีวิตว่าเป็นอย่างนี้จริงๆอย่าว่าแต่คุณพ่อเลยคุณพ่อวิเชียเนี่ย แต่ก่อนมีชีวิตอยู่ยืนเดินนั่งนอนทำกิจกรรมเหมือนพวกเราทั้งหลายได้คำว่าวามาชาวปนักกิจศพเนี่ยเขาเรียกมาปรงมาปรงศบมาปรงศบว่าท่านที่นอนอยู่ในโรงเนี่ยบัดนี้ตายแล้วภาษาพระเนี่ยเขาเรียกว่าวิญญาณไปปราศจากแล้วคือจิตนั่นเองวิญญาณไปปราศจากแล้วภาษาของคนไทยเราก็เรียกวิญญาณออกจากล่างเรียกว่าวิญญาณออกจากล่าง แต่ไม่ใช่ลอยไปนะคือจุติคือตายเนี่ยก็จะปฏิสนธิคือพ่อเกิดแล้วนี่พ่อไปเกิดใหม่เรียบร้อยแล้วจากไปเกิดเป็นอะไรอยู่ที่กุศลกรรมกุศลกรรมที่พ่อทำไว้ตอนรับนิมิตหมายในใกล้ตายคนที่ใกล้ตายเนี่ยในการใกล้ตายเขาเรียกมรณาสัา น, านาการวิถีจิตใกล้ตายเขาเรียกมรณาสถา น, านาวิถี กรรมที่ให้ผลตอนตายเขาเรียกกรรมมะอารมณ์กรรมนิมิตอารมณ์หรือสตินิมิตอารมณ์เวลาคนจะตายเนี่ยเขาจะมีนิมิตมาปรากฏถ้าเป็นนิมิตดีๆมาปรากฏเช่นนิมิตจากการให้ทานนิมิตจากการรักษาศีลนิมิตจากการเจริญภาวนาจากการสวดมนต์ไหว้พระหรือทําสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นต้นถ้านิมิตเหล่านี้เครื่องหมายเหล่านี้มาปรากฏใกล้ตายนิมิตเหล่านี้เขาเรียกว่าสุขตินิมิต จะนำพาเขาถึงสุคติเป็นมนุษย์เทวดาเป็นต้นแต่ถ้านิมิตใกล้าตายเช่นการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกรรมการพูดเท็จส่อเสียดคำหยาเพื่อเจอ้อการดื่มสุราเมลัยเป็นต้นนิมิตไม่ดีมาปรากฏปุ๊บใกล้าตายอย่างนี้เขาเรียกว่าทุกขตินิมิตเป็นนิมิต ท, ที่ไม่ดีถ้ารับนิมิตไปแล้วก็ลงอบายทุกขติวินิบาตนรกหมู่สัตว์เป็นแบบนี้ เรามาในงานชาวปนกิจศพของคุณพ่อในฐานะเป็นบุตรหลานญาติมิตรเขาเรียกมาโปรงศพปรงคือให้เกิดยานปัญญาอย่างเห็นความจริงเขาเรียกสังเวชนะ่ยสังเวชศัพท์เนี่ยแปลว่าสะดุ้งสะเทือนเห็นภัยของความเกิดเห็นภัยของความแก่เห็นภัยของความเจ็บไข้แล้วก็เห็นภัยของความตายแล้วเร่งขวนขวายในการที่จะทําสิ่งที่ดีงาม อุเร่งเต็มที่เลยบอกเอาละเอาเรื่องของคุณพ่อเป็นแบบอย่างเอางานชาวพนกิจศพของคุณพ่อเป็นแบบอย่างว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปชั้นที่เป็นภรรยาเป็นบุตรหลานญาติมิตรและเป็นญาติที่มาในวันนี้จะไม่ประมาทจะนึกถึงคําสอนพุทธิจ้าบอ ก, ออกว่าวยะธรรมมาสังขาราอประปมาเทนะสัปปะเทถะพุทธิจ่าบอกดูก่อนภิกษุรทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยง เนี่ยสังขารคือกระแสชีวิตเนี่ยมีการเกิดขึ้นในเบื้องต้นแปรปลัวในถ้ำกลางแล้วก็แตกสลายไปในที่สุดอันนี้พระพุทธเจ้าทรงบอกความจริงของสรรพสิ่งสรรพสิ่งทั้งหลายที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตแตกดับอย่างนี้จริงๆตอนนี้ความจริงปรากฏแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแล้วข้าพเจ้าจะเอาความจริงเหล่านี้ให้เกิดขึ้นให้ยานปัญญาไปวิจัยแยกแยะเห็นทุกสัตว์เห็นความจรงิงว่าเกิดขึ้นจริงๆแปรปลัวจริงๆดับสลายไปจริงๆ แล้วก็บอกว่าท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเอาละสิตอนนี้แล้วก็มาพิจารณาตรงนี้ตนไม่มีศีลก็พัฒนาตนให้มีศีลเสีตนไม่มีสมาธิก็พัฒนาตนให้มีสมาธิตนไม่มีปัญญาก็พัฒนาตนให้มีปัญญาตนไม่มีศรัทธาก็ทําให้มีศรัทธาตนไม่มีความเพียรกล้ากล้าอาถานก็พัฒนาตนี้ให้มีความเพียรแกล้วกล้าอาถานตนเลอะเลือนก็ฝึกตนให้มีสติ ตนฟุ้งซ่านก็ฝึกตนนี้มีสมาธิตนไม่มีปัญญาก็ฟังพระธรรมเทศนาของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทําญาณปัญญาให้เกิดขึ้นเมื่อทําปัญญาณปัญญาให้เกิดขึ้นมาปุ๊บก็เห็นความจริงเอาและก็บอกแก่คุณพ่อถ้าเป็นแม่เป็นบหลานญาติไม่ก็บอกคุณพ่อเมื่อวานอาตมาบอกกับยมแม่บอกว่าให้บอกกับคุณพ่อบอกว่าพ่อพ่อจงอย่า ก, กังวล ขอให้พ่อเข้าถึงสุขติพบแม่อยู่รางหลังนี้จะทํากิจของความเป็นแม่ให้เต็มที่จะเข้มแข็งจะอดทนจะตั้งมัน่นจะทาหน้าที่อบรมบุตรหลานญาติมิตรทากิจแทนพ่อจนกว่าจะถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเอามาบอกยศแม่แบบนี้เมื่อวานนี้ให้บอกกับพ่ออย่างนั้นพ่อที่ไปอยู่ในภพต่างๆจะได้ไม่กังวล พ่อจะได้ชื่นใจว่าเออเนี่ยถึงแม้เราจากไปแล้วแม่ก็เข้มแข็งบุตรหลานญาติมิตรที่อยู่ก็เข้มแข็งสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันรักกันสามัคคีกันร่วมแรงร่วมใจกันแล้วก็เข้มแข็งอดทนทําครอบครัวก็หมายความว่าทำตระกูลเนี่ยให้มั่นคงแข็งแรงที่เรียกว่าตระกูลสุนทรเนี่ยทำตระกูลให้เข้มแข็ง ให้มั่นคงเป็นที่ประจักษ์แก่ชนทั้งหลายแม้ในหมู่บ้านนี้ตำบล น, นี้อำเภอนี้จังหวัดนี้และประเทศนี้ให้คนได้รู้จักว่าตะโกนสุนทรเนี่ยทำสิ่งที่ดีงามทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับสังคมประเทศชาติและก็ไม่ลืมในการที่จะอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณพ่อตลอดเอามาทราบบอกว่ า, วาถามว่าได้ทําบุญใส่บาตรทุกวันไหม เออแม่บอกใส่บาทุกวันเนี่ยเป็นครอบครัวตัวอย่างการได้ใส่บาทก็คือได้ให้ทานทุกวันได้บำเพ็ญศีลทุกวันได้บำเพ็ญสิ่งที่ดีงามทุกวันและก็น้อมจิตอุทิศอย่างนี้พ่อก็ชื่นใจแล้วเห็นหมายถึงแม้เราจะจากไปในภพอันใดก็แล้วแต่เราก็ไปได้วยความดีก็เรียกว่าอยู่ก็สบายไปก็มีความสุขใช่ ยอยู่ก็สบายไปก็มีความสุขคนที่เป็นคนดีเนี่ยฝากให้โยมคิดถ้าเราทำสิ่งที่ดีบำเพ็ญทานศีลภาวนาจนสามารถบำเพ็ญจนกลายเป็นเนื้อเป็นตัวได้แม้เราจะตายเนี่ยบรรดาสัตว์ทั้งหลายในภพต่างๆใครก็อยากมารับดูอย่างธรรมิกะอุบาสก ทำมิกาอุบาสกในพุทธศาสนาตอนที่ท่านจะเสียชีวิตเนี่ยเทวดาส่งเทียบเชิญเทวดาชั้นจาตมก็ส่งเทียบเชิญมารับชั้นยามาชั้นดุสิตานิมาดลอดีปรณิมิสวาสวดีทั้งหกชั้นเลยนะก็ส่งเทียบเชิญมารับเนี่ยลักษณะเนี้ยใครก็ต้องการอยากเอาไปเป็นประชากรในประเทศของเขาในเมืองของเขาในสังคมของเขาฉะนั้นเราท่านทั้งหลาย วันนี้เรามาในงานชาวปนักกิจศพของคุณพ่อวิเชียนสุนทรนเนี่ยนขอให้เราท่านทั้งหลายจงตั้งใจและลึกถึงกุศลความดีที่เราและคุณพ่อได้ทำไว้ก็จงน้อมใจเนี่ยในการที่จะอุทิศส่วนกุศลที่บอกว่ากิจที่เราต้องทำท่านเลี้ยงเรามาเลี้ยงท่านตอบเออตรงเนี้ยมาเท่าที่เห็นยอมแมกในทำทากิจของท่าน ท่านดำเนินกิจกรรมใดๆทำนาทำไร่ทำสวนหรือมีกิจกรรมใดๆที่ค้างๆก็ทำดำรงวงตระกูลก็คือทำตระกูลนี้ให้เข้มแข็งให้สืบต่อให้ยาวนานให้เป็นที่ประจักษ์แจ้งให้คนรู้จักให้สิ่งที่ดีงามๆแพ่ขยายไปทำตนให้เหมาะสมในฐานะที่เป็นทายาทที่ดีอทําทำตนให้เหมาะสมและสุดท้ายก็คือเมื่อท่านล่วงลับไปก็ทาบุญอุทิศให้อย่างติดต่อและต่อเนื่อง อันนี้เป็นกิจกรรมเป็นทานเป็นศีลที่บุตรหลานญาติมิตรที่พึงกระทําทีนี้ในการให้ทานก็ต้องให้ด้วยความเคารพให้ด้วยศรัทธาคําว่าให้ด้วยศรัทธาก็คือทําใจให้ผ่องใสให้ล่าเริงให้อาถานขจัดความขุ่นมัวในใจออกให้ด้วยความเคารพก็คือทําจิตให้นอบน้อมเกิดขึ้นในการที่จะให้ให้ล้สละขาดก็หมายความว่าไม่ใช่สละแต่ข้างนอกข้างในก็สละด้วย สละความโลภสละความโกรธสละความหลงสละความตะหนีออกไปด้วยแล้วก็ให้ด้วยการไม่กระทบตนและบุคคลอื่นไม่ใช่ให้เพื่ออวดหรือกระทบคนน้นกระทบคนนี้แต่ให้ด้วยใจที่เป็นใจดีเป็นจิตที่ไม่แง่ง อ, อย่างแท้จริงก่อนให้ก็ดีใจขณะให้ก็เลื่อมใสให้แล้วก็ยังความป ร, ปราบรื้มยินดีเป็นต้นให้เกิดขึ้นถ้าเรา ทำกิจกรรมอย่างนี้ได้อย่างดีแล้วก็จะเป็นสิ่งที่ดีวันนี้ขอให้เราท่านทั้งหลายก่อนที่อาตมาจะจบพระธรรมเทศนานี้เนี่ยขอยมทั้งหลายบนนมมือนะจมาจะนาในการอุทิศส่วนกุศลแล้วก็จะได้สรุปและจบขอยมว่าตามนะน้อมจิตในการที่จะระลึกถึงตั้งแต่วันแรกที่ทำบุญอุทิศให้กับคุณพ่อ ไม่ว่าจะเป็นการให้ทานสมาทานศีลทำภาวนาสวดมนต์ไหว้พระทําเจริญกุศลใดๆทุกอย่างให้น้อมจิตในการระลึกถึงความดีตลอดถึงความดีทั้งหลายที่ทำํำเราจะได้อุทิศส่วนกุศลให้กับพ่อเนาะตลอดถึงบุตรหลานญาติมิตรหรือญาติมิตรทั้งหลายที่ล้มหายตายจากไปมีมากมายเอาคุณพ่อเป็นประธานเอาว่าตามนะสัตว์ทั้งหลาย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 มีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยใหญ่ก็ดีสัตว์เราใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพระเจ้าแผ่ให้แล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เา่าใดที่ยังไม่รู้ส่วนแห่งบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายโปรดบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้ด้วย เพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผงให้แล้วขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันกเกษมกราวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเทิน ให้น้อมจิตในการที่เระเลิกถึงคุณพ่อที่ล่วงลับไปบอกว่าขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้ากระทำในครั้งนี้อุทิศให้ทั้งหมดคุณความดีที่ประพฤติมาทางกายทางวาและใจนั้นขอน้อมอุทิศส่วนกุศลนี้ให้กับคุณพ่อวิเชียนสุนทรที่ล่วงลับไปแล้วเป็นประธานตลอดถึงญาติมิตรทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วที่อยู่ในสัมปรายภพ ถ้าท่านรู้เห็นการกระทําจงอนุโมทนาส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าเป็นบุตรหลานญาติมิตรกระทําและอุทิศให้ในครั้งนี้ถ้าท่านไม่รู้ไม่เห็นการกระทําขอเทวดาทั้งหลายโปรดบอกให้ท่านได้ทราบได้รับรู้ด้วยว่าข้าพเจ้าในฐานะที่เป็นภรรยาบุตรหลานญาติมิตรได้น้อมเจตอุทิศส่วนกุศลในครั้งนี้ให้กับคุณพ่อตลอดถึงญาติมิตรที่ล่วงลับไปแล้ววันนี้เป็นวันชาวพนักกิจศพของคุณพ่อ กุศล ค, ความดีใดๆข้าพเจ้าขอน้อมกุศลความดีนั้นน้อมอุทิศให้คุณพ่อคอยพ่อมีความสุขในสัมปร이ยภพเข้าถึงบรมสุขจนกว่าจะถึงซึ่งความพ้นทุกข์อพานานิพพานเท่าที่อาตมาภาพได้แสดงพระสัท ธ, ธรรมเทศนามาพ่ะขอศพควรแกเวลาท้าที่สุดแห่งการแสดงพระสัทธรรมในครั้งนี้ขอกุศลความดี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 เท่าที่ได้แสดงพระสัทธรรมมาก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติพระธรรมเทศนาไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยปากาลรรัชนี